สวัสดีครับท่านผูช้ชผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปราดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรเรื่องราวนะคติชีวิตของปราดนะครับมานำเสนอโดยวิธีการอ่านเป็มคําขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษามาชิพูรูผมทุดนเปี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการแนะนํำรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9 7 9 9 1 2 2ครับขณะที้ผมนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าเ้นคุทางอันยอนแยงแทโดโชผู้นํนญญาทางจิตญิทชาวเดียเซนหนึ่งเป็นผู้บรรยาย รรประลพลผาสุขยืดเป็นผู้แปลและเรียบเรียงวันนี้นะครับเมื่อคราวที่แล้วนําท่านไปถึงเรื่องราวของบทนําจบไปแล้วนะครับวันนี้เป็นเซนตอนที่สองนะขึ้นชื่อบทนี้ชื่อว่าดังท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะครับเมื่อตอนที่แล้วก็เริ่มต้นไปนิดหน่อยนะครับวันนี้จะกลับมาทวนซ้ำอีกทีนะครับท่านเราช่วยบรรยายว่าดังท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะมันช่างไร้ขอบเขตทว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ณนะที่นี่มันช่างนึกซึ้งได้ชัดเจนเมื่อใดที่ท่านค้นหามันท่านจะมองไม่เห็นมัน นะครับฟังฟังให้ดีดนะครตรงนี้นะค้นหาก็ไม่เห็นนะครับท่านไม่อาจครอบคลองมันไว้แต่ท่านก็ไม่มีวันสูญเสียมันไปนะครับที่ท่านไม่พยายามจะข่อยคว้าหามันท่านก็จะได้มันไว้เมื่อใดที่ท่านนิ่งเงียบท่านก็จะดินเสียงของมันเมื่อใดที่ท่านเปล่งวาจอาออกไปมันก็จะไร้เสียงประตูบานใหญ่เปิดกว้างไว้ให้ทุกคนไม่มีฝูงชนมายืนขวางทางท่านไว้ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอทําความเข้าใจบางอย่างที่ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของเซน ประการแรกเซนไม่ได้เป็นไปตามหลักเทวะวิทยาทั่วไปหากเซนเป็นศาสนาก็เป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวศา ส, สนาอื่นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดว่าเรื่องพระเจ้าพวกเขาจะมีทฤษฎีต่างๆมากมายพวกเขายึดพระเจ้าเป็นสูงกลางไม่ได้เอาไม่ได้เอาคนเป็นสูงกลางเพราะมองว่าคนไม่ใช่จุดสุดท้ายมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นจุดสุดท้ายแต่นั่นไม่ใช่เซนเซนถือเอาคนเป็นเป้าหมายสูงสุดคนมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตัวคนแต่ละคน สำหรับเซนแล้วพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความคิดนะครัไม่ไม่าขอพระทัครับพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภายในความเป็นมนุษย์ของเขาคนแต่ละคนต่างก็พาพระเจ้าอันเปรียบได้กับสกภาพที่อยู่ภายในภายในตัวพวกเขาไปไหนมาไหนตลอดเวลานะครับตรงนี้ท่านพูดราบพื้นฐานที่เข้าใจนิดหน่อยคนระับที่บอกว่าตัวบอกว่าเซนเป็นศาสนาศาสนาที่รรเบียงเบนฉพาะตัวคือศาสนาอื่นเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดว่าดูเรื่องพระเจ้ามันก็ไม่อื่นทั้งหมดนะครับแต่ศาสนาส่วนใหญ่ จะมีพระเจ้าองค์เดียวหรือจะมีพระเจ้าหลายองค์ก็ตามนะรับก็ล้วนมีพระเจ้าทั้งนั้นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าก็ดูเหมือนจะมีแต่พุทธนะครับเต๋าและก็เชนนะเท่าที่ผมทราบนะครับที่ไม่มีพระเจ้านะศาสนาอื่นรู้แต่มีพระเจ้านะครับไม่แปลว่าประการแรกเนี่ยพื้นฐานของเซนเนี่ยประการแรกเซนไม่ได้เป็นไปตามหลักเทววิทยาทั่วไปเพราะหลักเทววิทยายุ่งไปเขาศึกษากันว่าด้วยเรื่องพระเจ้านะครับหากเซนเป็นศาสนาก็เป็นศาสนาที่มีกัลกเฉพาะตัวศาสนาอื่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดว่าด้วยเรื่องพระเจ้า พวกเขาจะมีทฤษฎีต่างๆมากมายนะพวกเขายึดพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้เอาคนเป็นศูนย์กลางเพราะมองว่าคนไม่ใช่จุดสุดท้ายมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นจุดสุดท้ายนะครับนี่คือในย่าของศาสนาที่มีพระเจ้าทั้งหลายถึงแม้ว่าเขาจะมีคําสอนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีพระเจ้าแบบจะเป็นนะเป็นจุดสุดท้ายแต่นั่นไม่ใช่เซนเซนถือเอาคนเป็นเป้าหมายสูงสุดคนนะมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตัวคนแต่ละคน สำหรับเซนแล้วพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์นะคสำหรับเซนแล้วนะครับพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภายในความเป็นมนุษย์ในนะี้คนแต่ละคนต่างก็พาพระเจ้าอันเปรียบได้กับศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพวกเขาไปไหนมาไหนตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่มีแนวคิดว่าว่าด้วยเรื่องพระเจ้าในวิถีแห่งเซนหากท่านต้องการท่านอาจจะพูดได้ว่าเซนไม่ใช่ศาสนาด้วยซ้าไป เพราะเซนจะเป็นศาสนาอย่างได้อย่างไรหากพึ่งจากความคิดว่าด้วยเรื่องพระเจ้าแน่นอนผู้คนที่เติบโตมาอย่างชาวคริสต์มุสลิมฮินดูหรือยิวคงจะจินตนาการไม่ออกว่าเซนเป็นศาสนาประเภทไหนกันแน่เพราะหากเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแล้วก็เท่ากับว่าเป็นลัทธิอเทวนิยมซึ่งจริงๆแล้วเซนก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในทางกลับกันเซนเป็นลัทธิเทวานิยมอย่างสุดขั้วเพียงแต่ไม่มีเรื่องพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราโชคพยายามบอกว่านะว่า คนที่คนที่ถือศาสนาเนี่ยนะครับจะไม่ใช่คือจะไม่ด่วนที่จะสรุปว่าตัวเอง เ, เป็นเทวะนิยมหรืออ t h e วนิยมเพราะคนที่เชื่อในความเป็น a t h ว, วนิยมก็ไม่แตกต่างกับคนเชื่อเทวนิยมคนนึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าอีกคนเชื่อไม่มีพระเจ้ามันก็คือเชื่อเหมือนกันนั่นเองนะถึงจะเชื่อไปคนละขั้วแต่ก็คือใช้ความเชื่อเป็นตัวตั้งนะเพราะนั้นจะบอกว่าคนที่ศึกษาความจริงนะไม่ใช่คนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าหรือเชื่อว่าไม่มีพระเจ้านะครับแต่บอกว่านะว่า ดังเขาจึงไม่มีแนวคิดว่าด้วยเรื่องพระเจ้าในวิธีแห่งเซนหากท่านต้องการท่านอาจจะพูดได้ว่าเซนไม่ใช่ศาสนาด้วยซ้าไปนะครับเพรากตะวันตกเขามองว่าศาสนาก็คือว่าด้วยเรื่องพระเจ้าถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นนะไม่มีพระเจ้าเขาไม่เรียกว่าเป็นศาสนานะครับเขาเรียกว่าพุทธปรัชญานะเขาไม่เรียกว่าศาสนาพุทธนะครับเพราะไม่มีพระเจ้าเมันเหมือนกับกลายเป็นเรื่องของความคิดที่เอาเอาแน่อนอนไม่ได้ก็เป็นแค่ปรัชญานะเพราะเซนจะเป็นศาสนาได้อย่างไรหากปรศจากความคิดว่าด้วยเรื่องพระเจ้า แน่นอนผู้คนที่เติบโตมาอย่างชาวคริสต์นะครับมุสลิมฮินดูหรือยิวเนี่ยคงจะจินตนาการไม่บอกว่าเซนเป็นศาสนาประเภทไหนกันแน่เพราะหากเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าแล้วก็เท่ากับว่าเป็นลัทธิอเทวนิยมซึ่งจริงๆแล้วเซนก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในทางกลับกันเซนเป็นลัทธิเทวนิยมอย่างสุดขั้วเพียงแต่ไม่มีเรื่องพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับภาษาย้อนแย้งนะนี่เป็นหลักการพื้นฐานประการแรกที่ท่านควรจะรู้และเข้าใจ ท่านต้องปล่อยให้มันซึมซาบเข้าไปตัวท่านก่อนจากนั้นสิ่งต่างๆที่เหลือก็จะชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเซนกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายนอกหากแต่อยู่ภายในจะไม่มีคําว่าที่นั่นจะมีแต่คําว่าที่นี่ทุกอย่างคือที่นี่เดี๋ยวนี้พระเจ้าคือที่นี่เดี๋ยวนี้และจะไม่มีช่วงเวลาในอดีตหรือสถานที่อื่นใดณนะที่นี่นี่เองที่สรรพสิ่งทั้งหลายมาบรรจบกันหมายความว่า ท่านไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ถึงจะเห็นมันไม่ต้องออกไปด้นด้น้นค้นหาท่านแค่ลืมตาพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับคือตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็ น, ปนภาษาที่อะรผมคิดว่านะครับคือมาสรุปสุดท้ายมันก็เหมือนจะต้องพูดว่าแจะว่าสุดท้ายหรือเปล่ามันต้องมันต้องพูดเป็นระยะระยะนะครับว่าสําหรับส่วนตัวผมคิดว่ามันมันจริงต้องอาศัยการฟังมากเพราะถ้าไม่ฟังให้มากพอเนี่ยมันก็จะงงนะเพราะภาษามันก็ย้อนแย้งด้วยแล้วมันก็ มันเป็นเรื่องของของขณะต่อขณะด้วยนะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราจึงพึงเหมือนกับว่าคือคำสอนของท่านกิจเส้าบุรท่านโอชโยเนี่ยมันจะพูดว่ามันเหมือนกับว่าสัจจะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพียงแต่ขอให้ลืมตานีมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรแบบนั้นแต่คําว่าไม่ใช้เวลาเนี่ยพอพูดไปก็มันก็เหมือนกับว่าแต่ว่าไม่ใช้เวลามันก็ไม่ใช่ใช่ทีเดียวเพราะมันเหมือนกับว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะงอกได้มันก็ต้องลงดินที่ดีดินที่ดีมันก็ต้องมีการเตรียมดิน ครับจะว่าไม่ใช้เวลาไหมเนะีมันก็แล้วแต่ว่าจะพูดกันในบริบทไหนนะครับด น, นตรงนี้ถึงบอกว่ามันจะฟังอยู่แล้วมันจะย้อนแยงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องต้องฟังเยอะๆนะครับเพื่อจะให้มันเกิดความเอาไปสังเคราะห์ให้มันสามารถเข้าใจความความรว้ของมันได้นะครันกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายนอกหากจะอยู่ภายในจะไม่มีคําว่าที่นั่นจะมีแต่คําว่าที่นี่ทุกอย่างคือที่นี่เดี๋ยวนี้พระเจ้าคือที่นี่เดี๋ยวนี้และจะไม่มีช่วงเวลาในอดีต หรือสถานที่อื่นใดณนะที่นี่นี่เองที่สรรพสิ่งทั้งหลายมาบรรจบกันหมายความว่าท่านไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ถึงจะเห็นมันไม่ต้องออกไปด้านด้นค้นหาเห็นไหมครับแค่สับตรงนี้ก็นะก็ชวนให้ให้ให้สับสนพอสมควรนะไม่ต้องออกไปด้านด้นค้นหานะครับแค่ลืมตาพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านแล้วการสวดมนต์ก็ไม่ใช่วิธีแห่งเซนเช่นกันท่านจะสวดไปถึงใครนะท่านจะสวดไปถึงใครกันล่ะในเมื่อไม่มีพระเจ้าประทับอยู่ในที่ที่เรียกว่าสงสวรรค์ คอยควบคุมชีวิตผู้คนและสรรพสิ่งทั้งหลายแม้ไม่มีการควบคุมใดๆชีวิตก็ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกลมกลืน่นตามคลองของมันอยู่แล้วไม่มีใครไปกำหนดบทบัญญัติอะไรไว้ทั้งสิ้นเพราะว่าเมื่อไใ่ก็ตามที่มีอำนาจจากภายนอกเข้าไปควบคุมก็จะเกิดภาวะของการเป็นทาสขึ้นมาไม่ว่าทาสจะเป็นคริสต์นะหรือมุสลิมเมื่อไใดก็ตามที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นคอยสั่งการท่านอยู่ท่านเป็นไปได้อย่างมากก็คือผู้รับใช้หรือทาสท่านจะสูญเสียกิจภูมิทั้งหมดของท่านไปนะครับผมอ่าน ข้อความแบบนี้เนี่ยนะครับก็ก็ต้องเรียกว่าก็ต้องเตรียมตัวพอสมควรนะเพราะว่าภาษาของท่านโอชนเนี่ยเป็นภาษาที่อย่างที่เห็นเนี่ยครับอย่างที่ได้ยินเนี่ยมันก็แรงเหมือนกันนะครับเพราะนั่นครับคือสิ่งที่ท่านท่านพูดถึงบอกว่านะเซนไม่ได้สนใจเรื่องของการสวดมน์นะครับไม่ได้สนใจเรื่องคำภีรอะไรพวกนั้นเลยนะเพราะว่าการสวดมน์ไม่ใช่วิถีแห่งเซนเช่นกันท่านจะสวดไปถึงใครกันล่ะในเมื่อไม่มีพระเจ้าประทับอยู่ในที่ที่เรียกว่าสงสวรรค์คอยควบคุมชมีวิตผู้คนและสรรพสิ่งทั้งหลาย นะอันนี้ไม่เป็นเรื่องซึ่งคือเรื่องของศาสนานะครับถ้าศึกษาไปศึกษาไปก็เห็นว่าท่ากิ๊กนไติดก็จะพูดไว้ค่อนข้างชัดกับมันมันเป็นคนลามิติ ก, กับกับเรื่องของสมองนะแม้สมองจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างนะครับกับการสื่ออะไรบางอย่างได้ก็จริงอยู่แต่ศาสนาไม่ใช่เรื่องของสมองเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องสงสัยว่าโลกตัวมันตกซึ่งใช้สมองอย่างมากมายจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีวัตรกรรมเทคโนโลยีก้าวไกลสุดลูกหูลูกตา แต่เขาก็ยังเชื่อในพระเจ้าทุกครั้งที่มีอุปสรรคปัญหาเขาก็ยังสวดวิงวอนขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเสมอนะเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้มีศาสนาอย่างที่อย่างพิธีชาพุทธเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นคือคอยควบคุมชีวิตผู้คนและสรรพสิ่งทั้งหลายนะแม้ไม่มีการควบคุมใดๆชีวิตก็ดําเนินไปอย่างสอดคล้องกลมกลืนตามคลองของมันอยู่แล้วไม่มีใครไปกําหนดนะบทบัญญัติอะไรไว้ทั้งสิ้นนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอํานาจจากภายนอกเข้าไปควบคุมก็จะเกิดภาวะของการเป็นทาตขึ้นมาไม่ว่าจะจะเป็น นะไม่ว่าท่านจะเป็นคริสตหรือบุสลินเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นคอยสั่งการท่านอยู่ท่านเป็นได้อย่างมากก็คือผู้รับใช้หรือทาสท่านจะสูญเสียกติภูมิทั้งหมดของท่านไปตรงกันข้ามกับเซนเซนจะให้กิจภูมิกับท่านอย่างมากมายจะไม่มีอำนาจจากภายนอกที่ไหนมาคอยบังคับท่านมันเป็นศักดิ์ศรภาพอันสูงสุดนะครับบอกว่านะบอกว่าตรงกันข้ามกับเซนเนี่ยเซนจะให้กิจภูมิกับท่านอย่างมากมายคือชีวิตทางศาสนาชีวิตแห่งศาสนาเนี่ย ต้องมาพรอมกับความรับผิดชอบนะครับเพราะความรับผิดชอบที่แท้จริงมันคือจิตของตัวเองนะไม่มีวินัยภายนอกมากํากับอะไรได้ท่าทามงใดที่ยังอยู่ถูกวินัยภายนอกกํากับก็คือท่าชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะวินัยที่แท้จริงมันมาจากจิตวิญญาณข้างในนะจะไม่มีอานาจภายนอกที่ไหนมาคอยบังคับท่านนะครับมันต้องเป็นนะมันเป็นอิสระอิสรภาพอันสูงสุดถ้าฟิตริชนิเชร่รู้และเข้าใจเสนเขาควรจะเป็นผู้รู้ผู้บรรลุมากกว่าที่จะกลายเป็นคนบ้าไป ทั้งนี้เพราะว่าเขามัวแต่ไปสะดุดกับคําพูดของเขาที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าด้ยตายไปแล้วและแล้วคนก็เป็นอิสระภูมิหลังของนิเช่นั้นถูกเลี้ยงดูมาในโลกของชาวยิวและชาวคริสตซึ่งเป็นโลกที่คับแคบเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเป็นโลกที่มีพัฒนาการติดอยู่ภายใต้แนวคิดของเรื่องพระเจ้าขณะที่เขามาสะดุดกับข้อที่จริงที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าด้ยตายไปแล้วและแล้วคนก็เป็นอิสระถึงตอนนั้นศักดิ์ศ ร, รีแห่งอิสรภาพของเขาก็พลอยสะดุดไปด้วย มันเป็นอะไรายที่มากเกินไปสําหรับเขาจิตใจเขาไม่สามารถจะทานทนได้เขาจึงกลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดถ้าเขาได้รู้เกี่ยวกับวิถีแห่งเสซนแล้วลวก็เขาอาจจะเป็นผู้ที่บรรลุได้อย่างแน่นอนฟิสเตดิเช่ก็ได้เสนอนําเสนอไปแล้วนะครับฟิเตดิเช่มีชีวิตในช่วงประมาณปี18นแ้สบถึงพันเอนะครับเป็นชาวเยอรมันนะซึ่งแน่นอนครับในเยอรมันก็มีชาวยิวอยู่ไม่น้อยนะแล้วก็แน่นอนเดียวกันว่าเป็นศาสดาคริสต์นะซึ่งแน่นอนกอ็มันจะแน่นอนมากเกินไปเอาเป็นว่า เป็นศา ส, สนาคริสต์นะครับและสุดมากก็น่าจะเป็นโปรเตสแตนท์นที่อยู่ในเยอรมันนะบอกว่าท่านนิเช่เนี่ยเข้าใจเซนเนี่ยนะครับเขาคงจะเป็นผู้รู้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยนิเช่ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลบ้าเพราะว่าไม่สามารถสื่อกับคนทั่วไปได้เขาเป็นนักคิดนะถ้าการไปศึกษาประวัติบุคคลเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับในทางโลกตะวันตกเนี่ยมีใหญ่อยู่แค่สองพวกพว ก, พวกแรกก็คือพวกนักปรัช ญ, ญานะเพราะพวกนี้ใช้ความคิดจนกระทั่ง ไม่ค่อยนะครับด้วยอะไรหลายหลยอย่างแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อในเรื่องพระเจ้านะอีพวกนั้นก็คือพวกบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายซึ่งเห็นโลกตามที่เขาเห็นนะครับในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันสวนทางกับในบรรดาคมภี์ทั้งหลายนะนอกจากสองคน ส, สกลุ่มนี้แล้วนะครับส่วนมากก็ตกอยู่ในความเชื่อแบบพระเจ้าที่สอนกันมาเป็นพันๆปีเท่านั้นนะฮะมนต์สมเด็จบอกว่าเซนนะบางคนที่เชิดเขาคงจะเป็นผู้รู้ผู้บรรลุมากกว่าที่จะกลายเป็นคนบ้าไปทันทีเพราะว่าเขามัวแต่ไปสะุด ก, กับคําพูดของเขาที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริง พระเจ้าด้ยตายไปแล้วนะซึ่งพูดในโลกของชาวคริสนะครับและแล้วคนก็เป็นอิสระภูมิหลังของเขานั้นถูกเลี้ยงดูมาในโลกของชาวยิวและชาวคริสตซึ่งเป็นโลกที่คับแคบเพราะเป็นโลกที่มีพัฒนาการติดอยู่ภายใต้ในแนวคิดเรื่องพระเจ้าคั้นเมื่อเขามาสะดุดกับข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าด้วยตายไปแล้วและแล้วคนก็เป็นอิสระถึงตอนนั้นศักดิ์ศรีแห่งอิสรพของเขาก็พลอยสะดุดไปด้วยมันเป็นอะไรที่มากเกินไปสําหรับเขาจิตใจเขาไม่สามารถจะทารทนมได้ เขาจึงกลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดถ้าเขาได้รู้เกี่ยวกับวิถีแห่งเซนแล้วเราก็เขาอาจจะเป็นผู้ที่บรรลุได้อย่างแน่นอนเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดานะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องเชื่อไปอย่างที่กระแสสังคมเชื่ อ, อยังไงก็เชื่อตามๆกันไปนะแต่เขานอกจากจะเชื่อต่างไปแล้วเนี่ยเขาประกาศความเชื่อที่ต่างกันไปด้วยนะคือเขาบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงเนี่ยนะครับเราสามารถเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อในพระเจ้าคําถามหนึ่งของเซนที่มันจะสร้างความราคาญจะให้กับหลายๆคนก็คือว่า เราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาได้อย่างไรหากยังยึดถือพระเจ้าอยู่เพราะพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะมาทำลายอสิสรภาพของเราเข้ามาครอบงําเราท่านลองไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลภาคความสัญญาเก่าดูสิพระเจ้ากล่าวไว้ว่าฉันเป็นพระเจ้าที่ชีอิจฉาและฉันไม่อาจจะยอมต่อพระเจ้าองค์อื่นได้ผู้ใดก็ตามที่ไม่อยู่ข้างฉันก็เท่ากับต่อต้านฉันซึ่งฉันเป็นพระเจ้าที่มีความรุนแรงและเหี้ยมโหดฉันจะลงโทษเจ้าและจะโยนเข้าเจ้าเข้าไปลงในไฟเบรลากัน ผู้คนจะเข้าถึงศาสนาที่เป็นพระเจ้ายื่นนี้ได้อย่างไรอิสรภาพของท่านจะแบ่งบานได้อย่างไรหากว่าใชจากอิสรภาพแล้วทุกอย่างก็คงจะไม่สามารถผลิบานได้ท่านจะแสดงออกถึงพลังงานสูงสุดในตัวท่านได้อย่างไรในเมื่อมีพระเจ้าคอยบังคับกำกับตัวท่านไว้คอยบังคับให้ท่านไปทางนั้นทางนี้คอยเจ้าหนี่เจ้าการท่านตรอดเวลาเนี่อันนี้ท่านเอาโชคก็คงจะบรรยายเพื่อให้อาจจะเป็นเรียกว่าให้เกิดความจะเรียกว่า ย, ยัางไงดีท้าทายอะไรมากหน่อยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าท่านเหล่านี้เข้าใจครับว่า ส่วนมากบรรดาเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าสังเกตดูได้เขาบ่าศาสดาก็ศาสนาพระองค์ไหนก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในในช่วงที่โลกตกต่ำนในช่วงที่โลกตกต่ำในในช่วงที่มีศาสนาแต่บรรดานักบวชเหล่านั้นนะครับไม่ได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนานะไม่ว่าจะเป็นนะครับศาสนาคริสต์ในบรรดาชาวยิวศาสนาพุทธในบรรดาชาวชาวศาสนาพราหมณ์ทั้งหลายนะสังเกตว่าตอนที่ท่านเกิดนะศาสนาเหล่านี้ล้วนแต่เล็ะเทนะครับล้วนแต่เละเทะ นักบวชแค่ทำมาหากินกับความเชื่อของคนเท่านั้นเองนะครับไม่บอกว่าเราสามารถนะเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อในพระเจ้าคําถามหนึ่งของเซนที่มักจะสร้างความําคาญใจให้กับหลายหคนก็คือเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาได้อย่างไรหากยึดถือพระเจ้าอยู่เพราะว่าพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะมาทําลายอิสรภาพของเราเข้ามาครอบงําเราถ้านลองไปอ่านคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเก่าดูสิสำนวนตรงนี้นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ไม่ใช่สันวนจริงแล้วนะเป็นสัมนวนที่ค่อนข้างจะร้อเรียนสักหน่อยนะครับพระเจ้ากล่าวไว้ว่าฉันเป็นพระเจ้าที่ขี้อิจฉาและฉันไม่อาจยอมต่อพระเจ้าองค์อื่นได้เพราะว่าอย่างที่ว่าครับว่าคือเวลาที่ต้องการสอนให้ผู้คนเนี่ยกลับมาสู่อย่างน้อยสุดก็ไม่โลกไม่วิบัตินะครับเพราะว่าถ้าเมื่อใดสังคมมันเต็มไปด้วยคนที่ไร้ศีไลไร้ธรรมเนี่ยนะครับโลกมันก็จะเสื่อมโดยเร็วเพราะฉะนั้นในยุคที่คนไม่มีปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักเพราะฉนั้นก็เลยมีคำพูดคล้ายๆอย่างนี้นะครับ มันก็เลยเหมือนกับว่าผูกขาดความเชื่ออะไรอย่างนั้นนะผู้ใดก็ตามที่ไม่อยู่ข้างฉันก็เท่ากับต่อต้านฉันซึ่งฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีความรุนแรงและเหี้ยมโหดฉันจะลงโทษเจ้าและโยนเจ้าลงไปในไฟบาลัยกันเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นยุคที่โกลาหลเป็นยุคที่คนนะไม่เข้าใจอะไรมากก็เลยต้องมีคําพูดที่เหมือนกับว่าให้เชื่อเป็นหลักนะผู้คนจะเข้าถึงศาสนาที่มีพระเจ้ายิ่งนี้ได้อย่างไรอิสรภาพของท่านจะเบ่งบานได้อย่างไรหากปราศจากอิสรภาพแล้วทุกอย่างก็คงไม่สามารถผลิบานได้ ท่านจะแสดงออกถึงพลังอันสูงสุดในตัวท่านได้อย่างไรในเมื่อมีพระเจ้าคอยบังคับกํากับตัวท่านไว้คอยบังคับให้ท่านไปทางนั้นทางนี้คอยเจ้าที่เจ้าการท่านตลอดเวลาเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะบรรด า, น, าดนักปราชนัุญาติหลาเขา้าตกกันเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับว่าตรงที่เราทํากันอยู่เนี่ยนะครับมันทําไปด้วยด้วยเจตจำนงอิสระหรือว่าพระเจ้าบงการมาเรียบร้อยแล้วนะรเรื่องพวกนี้ยังเถียงกันไม่จบนะครับเส้นกล่าวไว้ว่าการมีพระเจ้าจะทําให้คนตกเป็นทาส ต้องคอยทําหน้าที่สักการ บ, บูชาตลอดเวลาต้องอยู่กับความกลัวตลอดเวลาแล้วท่านจะเบ่งบานได้อย่างไรภายใต้ความกลัวตรงกันข้ามท่านจะเหี่ยวเฉาค่อยๆตายไปอย่างช้าๆเส้นกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าอิสรภาพจะบังเกิดขึ้นจะไม่มีอํานาจอะไรมาคอยบังคับบัญชาด้วยเหตุนี้นี่เองที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จะตามมาลองมองดูดีๆสิหากท่านถูกครอบงําโดยใครคนใดคนหนึ่งท่านจะรู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เมื่อมีอำนาจเหลือท่านมันทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดเมื่อมีอำนาจเหลือท่านก็ทําให้เกิดการต่อต้านเกิดปฏิกิริยาเกิดการขบวขึ้นมาภายในตัวท่านมันทําให้ท่านอยากจะกําจัดพระเจ้าให้สิ้นซากไปเขาบอกว่าเซนกล่าวไว้ว่าการมีพระเจ้าจะทําให้คนตกเป็นทาสต้องคอยทำหน้าที่ศักการะ บ, บูชาตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นนะครับในขณะที่มีพระเจ้านะเพราะเขาสามารถใช้พระเจ้าควบคุมกํากับ บ, บังคับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นพันพันปี เป็นพันๆปีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่คำพูดของนักบวชคนก็สามารถจะอยู่ภายใต้อํนนานาจได้หมดแล้วนะต้องคอยทำน้าที่สักการ บ, บูชาตลอดเวลาต้องอยู่กับความกลัวตลอดเวลากลัวจริงๆนะครับไม่ได้กลัวเล่นๆแล้วท่านจะเบี่งบานได้อย่างไรภายใต้ความกลัวตรงกันข้ามท่านจะเหี่ยวเฉาค่อยๆตายไปอย่างช้าๆเส้นกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าอิสฉภาพจะบังเกิดขึ้นจะไม่มีอํนนานาจอะไรมาคอยบงังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้นี่เองที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จะตามมาเพราะว่าทุกอย่างต้องทําด้วยความรับผิดชอบของตัวเองนะไม่มีใครบารบ o n การให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะลองมองดูดีๆสิหากท่านถูกครอบงาโดยใครคนใดคนหนึ่งท่านจะรู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเมื่อมีอํานาจเหนือท่านมันทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดเมื่อมีอํานาจเหนือท่านก็ทําให้เกิดการต่อต้านเกิดปฏิกิริยาเกิดการขบุขึ้นมาภายในตัวท่านแล้วแต่คนนะครับคนที่ชอบที่จะอยู่ภายใต้ ก่อนจะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คนที่ต้องการเป็นตัวของตัวเองก็อย่างที่ว่าครับก็จะเกิดการกระบิดขึ้นมามันถ้าไม่ท่านอยากจะกําจัดพระเจ้าให้สิ้นซากไปนั่นคือสิ่งที่นิเช่หมายถึงเมื่อเขาพูดว่าพระเจ้าด้วยตายไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าฆ่าตัวตายไปหรอกนะแต่พระเจ้าถูกฆาตกรรมต่างหากเพราะต้องปราศจากพระเจ้าเท่านั้นจึงจะมีความเป็นไปได้ว่าคนจะมีอิสรภาพซึ่งถึงตอนนั้นนิเช่เองก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างมากการที่จะอยู่ได้โดยไม่มีพระเจ้านั้นถือว่าเป็นความกล้าอันยิ่งใหญ่ การที่อยู่ได้โด ย, ยจกพระเจ้าจําเป็นต้องอาศัยสมาธิที่แน่วแน่ต้องมีการตระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมข้าพเจ้าถึงบอกว่านิเทเชยึดติดอยู่กับข้อมูลบางอย่างเขาไม่ได้ค้นพบอะไรเลยเขาเพียงแต่คําหาทางอยู่ในความมืดเท่านั้นนะครับก็ท่านโชัวพยายามจะเอาความเข้าใจแบบนิตเชยมาขยายให้เห็นนะแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าคือผู้คนเนี่ยแสวงหาสัจจะหาความจริงกันมานะหลายพันปีมากแล้ว Clinic. แต่ถึงกระนั mm ้นก็ตามความเชื่อก็ครอบงําผู้คนมาหลายพันปีพร้อมๆกันนั่นแหละแล้วมันถึงบอกว่าเรื่องของจิตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่ว่าคือเราเติบโตมาในแบบพุทธเนี่ยแหละครับมันไม่ถูกครอบงำนะเพราะมันมีอย่างที่ว่าครับมีเรื่องของมีเรื่องของคําสอนเรื่องอย่าเชื่อนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ถูกครอบงําง่ายนักแต่ในหลายศาสนาเนี่ยมันมีแต่เรื่องต้องเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่แสวงหาความจริงทางจังหาะศัจจาซึ่งมีอยู่ในทุกศาสนา เขาก็มีปังหาอย่างจริงจังเอาชีวิตเข้าแลกกันทั้งนั้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็ตกอยู่ภายใต้ที่ว่าครับอิทธิพลครอบงำที่ว่านีนั่นคือสิ่งที่นิเช่หมายถึงเมื่อเขาพูดว่าพระเจ้าด้ยตายไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าฆ่าตัวตายไปหรอกนะแต่พระเจ้าถูกฆาตกรรมต่างหากเพราะต้องปฏิจจคภพระเจ้าเท่านั้นจึงจะมีความเป็นไปได้ว่าคนจะมีอิสรภาพซึ่งถึงตอนนั้นนิเช่เองก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างมากนี่คือคำคำขยายของท่านโอโชนะครับแบบแม้แต่คนอย่างนิเช่ที่ถือว่า ก, กลกล่าวว่าพระเจ้าตายไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ยังตรงอยู่ในความกลัวอยู่อย่างมากซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าพราะเขาเชื่อกันมาเป็นพันๆปีนะการที่จะอยู่ได้โดยไม่มีพระเจ้านั้นถือว่าเป็นความกล้าอันยิ่งใหญ่การที่จะอยู่ได้โดยพระจากพระเจ้าจะต้องอาศัยสมาธิที่แน่วแน่น ะ, นะต้องมีการตาระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับแม้แต่ชาวพุทธแม้แต่ในบ้านเราด้วยนะเราก็จะอาุตรนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาก็ระโล ก, กทั้งนั้นน่ย น, นะครับไม่ใช่ทั้งนั้นเน่ยเยอะมากมายนะก็คือพระเจ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมข้าพเจ้าถึงบอกว่านิชเช่ยึดติดอยู่กับข้อมูลบางอย่างเขาไม่ได้ค้นพบอะไรเลยเขาเพียงแต่คําหาทางอยู่ในความมืดเท่านั้นนะคือปนิชเช่ปฏิเสธบางอย่างแต่ก็ยังไม่พบบางอย่างเหมือนกันนะสำหรับเสซนแล้วมันคือการค้นพบเป็นการค้นพบสัจจะความจริงเมื่อไม่มีพระเจ้าขเข้ามาเกี่ยวข้องคนจะต้องรับผิดชอบตัวเขาเองและต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่หากมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นเขาเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ต้องมองหาใครอื่น ท่านไม่สามารถจละทิ้งความรับผิดชอบของท่านได้ถ้าโลกนี้น่าเกลียดและทุกทรมานท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องดังกล่าวถ้าเราอยากเติบโตเราไม่อาจโยนภาระนี้ไปให้ผู้อื่นได้พวกเราต้องรับความรับผิดชอบนั้นเอาไว้สําคัญนะครับผมว่าตรงนี้สําคัญมากด้วยคือทําเมื่อไหร่เราคิดว่าเราพร้อมจะรับผิดชอบตัวเองเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องโทษใครหลายคนก็จะโทษนะครับไปอยู่ในสํานักนั้นสํานักนี้นานจนกระทั่ง เสียเวลาของชีวิตไปมากมายก็ไม่รู้นะครับถ้ายุคโบราณอาจจะใช่นะยุคโบราณคุณต้องนับถือศาสนานี้นะครับไม่นับถือศาสนานี้คุณตายเพระาะจะนับถือไม่นับถือมันก็ต้องนะมันก็ต้องทําตามเขาไปนะครับเขาบอกให้ไปโบสถก็ต้องไปโบสถแต่ในยุคนี้มันไม่ใช่นะคุณจะไปเข้าสำนักไหนกน็ก็ไปเองเท่านั้นนะครับคงไม่มีเจ้าสำนักไหนบังคับให้ไปได้เมื่อถ้าไปแล้วนะครับจะบอกว่าเสียไปลงเวลานะครับก็ต้องโทษตัวเองนะครับมันโทษใครไม่ได้นะสำหรับเซนแล้วมันคือการค้นพบเป็นการค้นพบสัจจความจริง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 จุดดีและก็จุดแข็งของของผู้คนที่มีศาสนาอย่างหนึง่งคือคนที่มีศาสนาเนี่ยนะครับจะเริ่มการแก้ไขจากตัวเองนะไปสู่ผู้อื่นขออภัยแต่คนที่ไม่มีศาสนานีนักปฏิรูปและปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มต้นจากการแก้ไขคนอื่นและตัวเองไม่ค่อยทำหรอกนะครับเป็นอย่างนั้นเยอะมากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไร้ซึ่งพระเจ้าท่านจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาท่านเองต้องเติบโตท่านต้องกํากับชีวิตของท่านให้ได้ ท่านต้องกุมบางเห็นชีวิตของท่านด้วยมือของท่านเองและเมื่อนั้นท่านจะเป็นนายของตัวเองท่านต้องตื่นตัวและมีความตระหนักรู้เพราะไม่ว่าอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นตัวท่านเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยเหตุ น, นี้นี่คือความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงสําหรับท่านเมื่อคนคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยความตื่นตัวและตระหนักรู้มากขึ้นแล้วคนคนนั้นจะใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคนคนนั้นจะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเขาจะเป็นประจักษ์พยานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่กกําาาลังเเิดขึ้นพระว่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 เพราะว่าไม่ว่าอะไรที่เราจะเกิดขึ้นตัวท่านเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยเหตุนี้นี่คือความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงสําหรับท่านเมื่อคนคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยความตื่นตัวและตระหนักรู้มากขึ้นแล้วคนคนนั้นจะใช้ชีวิตที่แตกต่างไปอย่างเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับรัฐบาลฝากไว้กับอะไรทั้งนั้นน่ยนะครับคนคนนั้นจะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเขาจะเป็นประจักษ์พยานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นและก็คงจะไม่มีอะไรที่ก้าวล้ําไปกว่านี้ การก้าวล้ําที่ว่านี้มันซ่อนอยู่ภายในตัวของท่านแล้วในคริสศาสนาการก้าวล้ําหมายถึงการก้าวข้าไปยังที่หนึ่งที่ใดแต่สําหรับเซนแล้วการก้าวล้าหมายถึงการก้าวเข้าไปค้นพบตัวต น, นแท้จริงที่อยู่ภายในตัวคนคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการทําเลียงตาขึ้นมองท้องฟ้าแล้วสวดอ้อนวอนจะทําเช่นนั้นไปทําไมมันจะมีความหมายอะไรเพราะท่านกําลังสวดให้กับท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะครับเอาไว้ท่านด้ก่อนนะผมก็กำลังนำเสนอเนื้หาจากหนังสือที่ชื่อว่าเซน นะครับผลทางอันย้อนแย้งทนายโชว์ผู้นำทันติบิญ ญ, ญาณชาบีเดียวท่านหนึ่งเป็นผู้บรรยายดรประพลผลาสุขยุทธเป็นผู้แปลและเรียบเรียงวันนี้พอสมควรกับเวลาครับช่วยกันแปลขยะเป็นบุญสนับสนุนบุญนิยมทีวีครับขอบพระคุณครับจินรันธรรมครับ